คุณทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการสันสนีสนานาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0ร้ดิฉันสันสนิษฐานาพงนะคะในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ก็จะมาสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอธิปุญโญซึ่งช่วงหลังนี้เป็นโอกาสดีของท่านทั้งหลายที่มักจะ เสียใจยไม่มีโอกาสได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านเพบูลทั้งๆที่ฟังรายการท่านทุกวันทุกวันคือสัปดาห์หนึ่งท่านจัดห้าวันนะคะที่นี่ก็ไม่มีโอกาสว่างจะไปอย่างกับใครที่เข้าไปเข้าคอร์สกันเต็มๆคอร์สสักทีไม่ต้องเสียใจยเลยนะคะคอร์สหนึ่งเนี่ยเขามีประมาณเจดวันแต่ถ้าเราฟังรายการนี้มีให้ทุกวันถ้าที่ฉันจัดรายการกับท่านเพบูลนะคะ โดยจะเริ่มตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยตอนนี้ไปกราบนมัส ก, การท่านแล้วก็เตรียมที่จะปฏิบัติกันตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยค่ะนมัส ก, การค่ะท่านคะเริญพร น, นเริ่มการการปฏิบัติธรรมนั้นด้วยการตั้งสติกันนั่นเป็นข้อมูลอันแรกเลยที่พระพุทธเจ้าของเราหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วมาก่อนที่จะไปหาบรรจารพีเพื่อที่จะบอกสอนธรรมะก็ได้นึกถึงว่า ธรรมะหมวดไหนดีเนาะที่จะนํามาทําการบอกสอนก็ได้ระลึกถึงเรื่องของสตินี่แหละการตั้งสติที่เราจะตั้งขึ้นนั้นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือใช้กายหรือใช้ความรู้สึกคือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ได้อย่างในกายของเรานี้คือเราให้มาสังเกตลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเพราะว่าในกายของเรามันมีธาตุลม ที่เข้ามาทางลมหายใจนี่แหละก็เรียกว่าเป็นกายในขณะที่เรามาดูลมหายใจนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในขณะที่เราเห็นกายผ่านทางลมหายใจโดยเรามาเพ่งดูพิจรารณาเอาใจมาจดจอ่ออยู่ในตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เข้ามาทางโรงจมูกของเราเรารับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราจดจ่อไว้นะ ที่ตรงนั้นเวลาที่เอาจิตของเรามาจดจ่อไว้หนะ้าที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เราไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือลมยาวเพราะว่าเวลาที่สัมผัสเกิดขึ้นในขณะที่ลมมากระทบเป็นสัมผัสเป็นภัสสนี้เราจะมีความรู้สึกซึ่งความรู้สึกนี้ก็คือเป็นเวทนา อาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเย็นเย็นเป็นความสุขหรือเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกแบบนี้ก็ชื่อว่าเป็นเวทนาเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้สติที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่หน้าที่บริเวณทางก้าทางออกของลมหายใจนี้พระจาบอกว่าผู้ที่มีสมาสติเนี่ย จะสามารถทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีสตินี้อาจจะมีความคิดนึกในเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างไรก็ตามนั่นแสดงถึงความที่เราเริ่มรู้ถึงวาระจิตของตัวเองเริ่มรู้ถึงความคิดต่างๆที่ผ่านเข้าผ่านออกที่ผ่านไปผ่านมาจากการตั้งสติของเราขึ้นก็อย่าให้เราลืมหลงลงมหมใจ ให้เป็นผู้ที่กำหนดสติอยู่ในลมหายใจของเราให้ดีเพราะว่าการที่เรากำหนดสติอยู่ในลมหายใจของเราให้ดีเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ในที่ลมหายใจจิตที่เราเอามาจดจ่อไว้นะที่ลมหายใจนี่แหละจะทาให้สติมีกําลังเพราะว่าจิตของเรานั้นถ้าตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะเป็นไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเรามาตรีตรึกในเรื่องของลมหายใจของเราสิ่งที่มาพร้อมกับลมหายใจก็คือสติก็จะมีกําลังขึ้น เราทําอย่างนี้ในตลอดทั้งวันไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เราฟังรายการแต่ในขณะที่เราฟังรายการสนทนาธรรมะไปทํำกับข้าวหรือทําสิ่งใดๆก็ให้ตั้งสติไว้ยอย่างนี้ได้เชิบกวสาธุค่ะคืออันนี้เป็นหลักวิชาชจิตวิการที่จะฝึกปฏิบัติเลยอืใช้ได้เป็นพื้นฐานในทุกๆเวลาเลยใช่ไหมคะพื้นฐานนี้สําคัญด้วยแะแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ต่อต่อยอดกันไปได้ตลอดเวลาค่ะ ในกรณีที่ทํากิจอย่างอื่นไปพร้อมๆกับการฟังด้วยนะคะท่านคะจะใช้วิธีนี้หรือว่ามีวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าเพื่อที่เกิดประโยชน์ในแง่ของการสติตั้งได้ะคะ่ะเอจะมีวิธีสติอย่างอื่นคือเครื่องมือในการที่ทําให้เกิดสติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้หลายอย่างเอเช่นอนาปันสตินี้ก็อย่างหนึ่งที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นรายการใช่ไหม แล้วก็ยังมีถึงการที่เรามีสติอยู่ในอิริบทอยู่ในการงานที่เราทำาเช่นทำการงานก็นั่งเดินวิ่งหรือกู้แขนเหยียดขาพวกนี้เรามีสติมีสัมปชัญญะได้หมดแลเราสามารถที่จะเอาใจของเราเนี่ยให้อยู่กับการงานตรงนั้นได้ออย่างนี้ก็ได้ค่ะท่านหายเหนื่อยจากการมากรุงเทพหรือยังคะเอาเหนื่อยเมื่อยก็ธรรมดาคุณโยมติ๋วเหนื่อยม่อยธรรมดาแต่ว่าที่สาคัญก็คือว่า อได้ได้บอกหรือไ ด, ได้ได้อธิบายถึงเนื้อหาหลักธรรมะเนี่ยนี่สําคัญมากค่ะท่านฟังคะคงจะจํากันได้นะคะที่ในสัปดาห์ก่อนๆนู่นเราได้ประชาสัมพันธ์ว่าวันที่สามวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านภบูรื์หรือว่าพระมหาบูรื่อภิปุ โ, โนเนี่ยจะเดินทางจากวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหารอุดรธานีมาแสดงธรรมให้ที่กรุงเทพให้ทางปตท สอพอซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันที่สามและวันที่สี่ก็เปิดกว้างโดยปตทะสอพอเป็นคนจัดอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าอาศัยสถานที่ของหอสมุดท่านเพื่อาธาตุอินท ป, ปัญโยสวนรถไฟดิ๋ยฉันเองก็ได้ไปอืแล้วก็ได้ไปเห็นว่ามีคนเยอะจริงๆนะคะอื <S <S เพื่อนไปถึงก่อนก็บอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยสงสัยไปถึงเวลาจวนแจเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยที่เต็มแล้วนะ ก็บอกให้เขาจองที่ให้ก็ได้ที่หลังๆซึ่งเขามีการเสริมเก้าอี้กันอยู่ตลอดเวลาแปลว่ามีผู้ฟังซึ่งให้ความสนใจกับการแสดงธรรมใเยอะท่านค ะ, อะพอจะประเมินได้ไหมคะมีการลงทะเบียนด้วยที่ฉันเห็นว่าที่มาเนี่ยจะเป็นผู้ฟังซึ่งเขาปกติเขาไปฟังกันอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่ฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะดิฉันเห็น ท่านสปชใช่ไหมคะสมาชิกสภาปัจรูปัแห่งชาติท่านเตือนใจก็ไปด้วยใช่ก็จะเป็นทั้งผู้ฟังรายการจากทางเอฟเอ็มร้อยหกแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งของประเทศไทยด้วยทั้งทั้งสองคลื่นนั่นแหละที่มาแล้วก็จะมีส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักอาตมามาก่อนแล้วจากการมาปฏิบัติธรรมก็มากันอีกค่ะก็พอสมควรก็เหมือนกับสังสรรค์ พวกลูกศิษย์ด้วยนะคะเพราะ<ช>ว่าดิฉันเองเนี่ยอย่างขนาดไม่ได้รู้จักใครมากมายนักก็ยังรู้สึกว่าเจอคนรู้จักเยอะเยอะก็มาช่วยจัดการเพราะว่าเรามีช่วงเที่ยงวันที่มีการจัดโรงทานด้วยท่านคะทีนี้าสาระของการแสดงธรรมดิฉันได้ฟังเต็มๆก็คือในช่วงเช้าก็อยากจะให้ท่านได้เมตตาสรุปให้กับท่านฟังที่ไม่มีโอกาส ไปได้ฟังแล้วก็ยังไม่ได้ฟังการบันทึกเทปที่ท่านคงจะเอาขึ้นไว้ในเว็บไซต์ของท่านถูกไหมคะใช่ก็จะอีกสักพักหนึ่งเขาไปตัดต่อกันอยู่ตอนนี้ค่ะงั้นขอฟังก่อนแบบสรุปสําหรับผู้ที่ไม่ได้ไปฟังได้ไหมคะได้ได้ก็คือว่าเราได้ใช้เนื้อหาประมาณใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการอธิบายถึงเรื่องการเทศกันแรกที่บระพรุทธเจ้าได้เทศเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนาสูตรอันนี้เป็นหลักแล้วก็มีพระสูตรที่ เพิ่มเติมขึ้มาก็คืออนตัตตลกนณสูตรแล้วก็อธิตตะปริยายสูตรสามพระสูตรเนี่ยเป็น3าพระสูตรที่ได้อธิบายในวันนั้นหนึ่งใหาหลักๆที่สําคัญก็คือเรื่องของอริยสัจสี่นั่เนเองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เวลาบอกสอนธรรมะแล้วก็จะมีเป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมะวิธีคือวิธีเทศนาในการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่พระพุทธเจ้าไปสอนในครั้งแรก คือหล่าพิสุจนัญจวัคีเนี่ยเป็นผู้ที่มีทุลีนในดวงตาแต่น้อยอยู่แล้วนะแต่ก็สามารถที่จะฟังทำได้เข้าใจได้ในเรื่องลึกซึ้งถึงแม้ว่าจะอธิบายเป็นหัวข้อก็ตามนะเราก็เลยใช้เวลากันนิดนึงในการอธิบายในแต่ละหัวข้อให้ถึงในรายละเอียดพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของมรแ8ดนะมรแปดก็คือหนทางในการที่จะไปถึงการตรัสรู้โดยเปรียบเทียบก่อนเปรียบเทียบระหว่างทางที่มันจะไปไม่ได้ก่อน นะทางที่จะไปไม่ได้ทางที่จะเป็นทางตันทางที่มันจะไปแล้วไม่มีที่สุดจบเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คาว่าสุดโต่งเนี่ยก็คือทางตันใครที่ถ้าสามารถสวดบทธรรมจักรกับโพธนสูตรได้เนี่ยคำแรกที่พระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยคือ the way may pick away anta แนละเนี่ยหมายถึงว่ามันตันมันสุด mm hmm. อย่างเช่นคำที่เราอาจจะเคยสวยดมนต์ในบทอาการ3 2อันตา คือไส้ใหญ่ใช่ไหมไส้ใหญ่เนี่ยภาษาศัพท์เทคนิคก็คือลำไส้สุดสุดไปกว่านี้มันไม่มีนะืซึ่งทางตันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือมัชชิมาปฏิปทานะืมัชชิมาเนี่ยแปลว่ากลางเนะื้อกว่ากลางตรงเนี้เป็นบทเพยัญชนะที่อรหันมาพิจารณาดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่เนียบมากเนะื้อเพราะว่าถ้าจะใช้คําอื่นมันจะไม่ได้สื่อเท่าตรงนี้แลนะคําว่ากลางในที่เนีบไม่ใช่ว่ากลางๆางระหว่างสองทาง นะทางตัน2ทางคืออะไรก่อนก็คือการทรมานตัวเองให้ลําบากนะหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่มันจะสุดต่งคือมันตันเนี่ยนะก็คือการหาความสุขในประกอบตนมัวเมาพัวพันอยู่ด้วยความสุขที่เกิดขึ้นทางกามในะทําไม2ทางนี้มันถึงตันมันถึงไปต่อไม่ได้เพราะว่าการหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมเนี่ยมันมันไม่ได้จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ เนื่อเพราะว่ามันก็จะต้องบนอยู่ตรงนั้นหาทุกมาแล้วกรรมก็ไม่ได้จะหมดสิ้นไปในคิดว่าจะเป็นการล้างกรรมแก้กรรมแต่กรรมก็ยังมีอยู่ในการหาความสุขมาใส่ตัวก็มีความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดบาปอากุศลต่างๆนานาเช่นการปิดศีลเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไปสอทางนี้คําว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ตรงกลางกระหว่าอง2อันนี้นะเราจึงต้องทําความเข้าใจว่า อาจจะชั้นอาจจะไปวัด7วันนะลำบากอยู่ช่วง7วันกลับมาบ้านแล้วก็ขอสบายบ้างนะอยู่กลางๆระหว่าง2ทางอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คําว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือจุดที่เราต้องการให้เปรียบเทียบในะระหว่างคําว่าถ้าสุดตรงสองข้างเนี่ยเป็นทางตันนะมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นทางโล่งทางโ ป, ปร่งแต่ถ้าสุดตรงสองข้างเนี่ยเป็นทางอ้อมทางบกวนมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยก็จะเป็นทางลัดทางตรง หรือถ้าสุดตรงสองข้างไปแล้วมันตันมันสุดนะมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยก็จะเป็นทางที่ไปต่อได้นะไม่ตันไม่สุดหรือบางทีถ้าเราปฏิบัติไปเรารู้สึกว่าเฮ้ปฏิบัติไปแล้วมันไม่ถึงจุดหมายสักทีเหนะมือนเหมือนกับมันไม่ไปไหนนะลักษณะ น, น, นี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือเป็นทางที่มีที่สุดจบนะคือมีที่หมายนั่ <Okay. S 1> นเองเีพราะนั้นการใช้ศัพท์ว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยจึงค่อนข้างรัดกุมในที่นี้นในกรณีมาตมานะ แล้วก็เลยอธิบายในเรื่องของอะไรละ่ะคือมัชชิมาปฏิปตาแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องของอริยสัจสี่ซึ่งในอริยสัจสีที่ตัวมาเน้นในวันนั้นเนี่ยเพราะว่าเรามีเครื่องหม้เครื่องมือในการที่จะช่วยให้เห็นข้อมูลต่างๆด้วยก็คือว่ากิจที่ควรทําในแต่ละอริยสัจเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เราท่องกันได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกนี่ก็คือขันห้า ขันห้านี่คือหมายถึงรูปเบตนาสัญญาสังการวิญญาณสิ่งที่ถ้าอะไรที่มันคล้ายๆกันเหมือนๆกันเอามากองๆรวมกันในสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซสิ่งที่เป็นถ้าสีดินน้ำไฟลมมากองๆรวมกันก็เรียกว่ากองรูปอันนี้คือรูปขันอย่างนี้เป็นตน้นแต่มีรูปเบตนาสัญญาสังการวิญญาณแล้วซึ่งไอขันห้านี่มันจะอยู่ในทุกสิ่งที่เราเจอเช่นเราเจอความเกิดเราเจอความแก่ เราเจออาหารการกินเราเจอเรื่องสุขบ้างทุกบ้างในนี้จะมีขันธ์ห้าอยู่ทั้งสิน้นบาปุชาว e จึงสรุปตรงนี้ว่ า, าทุกเนี่ยคือขันธ์หาแล้วทุก์เนี่ยต้องรู้เนี่ยนะว่าสิ่งนี้เป็นทุกนั่นคือถ้าเรายังเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจออยู่เป็นสุขเนี่ยอันนี้แสดงว่ายังไม่มีปัญญานั่นโดยจึงต้องมีปัญญาให้เข้าใจละว่าการเกิดนะเป็นทุกนะไม่ใช่การเกิดเป็นสุขนะแต่เรายังไปอวยพรมันเกิดด้วยความเข้าใจว่า เ, าเกิดมาแล้วมันน่าจะ มีความสุขความดีอันนี้คื อ, อยังเข้าใจด้วยปัญญายัางไม่ถูกต้องนะเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องทําการรอบรู้ในศะัพท์ที่2ที่ทําความเข้าใจก็คือทุกเนี่ยต้องทําความรอบรู้มันนะคํารอบรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าให้ละนะหลายๆคนบางคนก็จะมีความเข้าใจว่าฉันต้องละทุกละทุกนะซึ่งคํำนี้เป็นบทเย็นชนะที่ไม่เนื้อแต่ไม่บางทีเราปฏิบัติผิดเหมือนกับหมอเขา เวลาเขารู้จากโรคภัยแค่เจ็บอย่างเงี้ย น, นะคุณยมติว๋วเราบางทีเราเจ็บแค่ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งปวดท้องอ่ะคุณไปหาหมอแต่เรารู้ว่าเราปวดท้องกับหมอสมมุติหมอป่วยเองหมอเขารู้ว่าตัวเองปวดท้องเนี่ยความรู้ของหมอที่รู้ว่าตัวเองปวดท้องกับความรู้ของคนที่ไม่ได้เป็นนายแพทย์ไม่ได้เป็นแพทย์หญิงเนี่ยเรารู้ว่าตัวเองปวดท้องเนี่ยความรู้นี้ไม่เหมือนกันความรู้นี้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าหมอเนี่ยเขาเจะรู้ถึงว่า เราจะต้องรักษาอย่างไงมันเป็นโรคอะไรอาการแบบนี้มีผลต่อหนึ่งอย่างไรต้องกินยายอย่างไรอย่างไรเขาจะรู้ตรงนี้แต่คนที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้ทําความเข้าใจมาก่อนไม่ได้รู้ทางด้านกายภาพไม่ได้มีความรู้ทางด้านนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้ลึกรู้ละเอียดขนาดนั้นใน ล, ลักษณะตรงนี้เขาเรียกว่าความรอบรู้นั่คือความรอบรู้ละทีนี้พอเราไปหาหมอหมอมีความรู้เรื่องโรคแล้วหมอก็จ่ายยามาให้เรากินใช่ไหมจะมียากินด้วยมียาทาด้วย แล้วก็มียาดมด้วยลวจ่ายยามาให้่ีแล้วถ้าบอกว่าเราเอายานี้ยมาใช้ผิดนะมันจะไม่หายนะคุณโยมติ๋วถ้าเราเอายาทามากินแล้วเอายากินไปทาเอายาดมนําไปทําอย่างอื่นมันมันก็จะไม่หายเข้าใจไหมเช่นเดียวกันกันกบเรื่องของอริยสัจสีถ้าเราพยายามทําตัณหาเก็บเอาไว้แต่ทุกเนี่ยพยายามละมันคุณทําไม่ถูกคุณนาไม่ถูกทําไม่ถูกจุดประสงค์ของเรื่องนั้นๆ แต่เพราะน้การทําไม่ถูกตรงนี้จึงทำให้เรามีความสับสนในสิ่งที่เราเจออยู่ในชีวิตประจําวันของเราอะ่ะเช่นคนที่พูดว่าฉันอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์แต่คนพูดอย่างนี้แสดงว่ายังทําความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไปอยากอ ย, กอยู่แต่สุข ก, กับทุกข์นี่ยให้ทําความเข้าใจแต่ดันจะไม่เอาทุกข์จะเอาแต่สุขอย่างนี้เป็นต้นก็ ค, ค, คือสรุปแล้วว่าในส่วนของทุกข์จะต้อง ทำความรู้รอบอันนี้รวมถึงสุขด้วยถูกไหมคะที่ท่านพูดถูกต้องต้องรู้รอบค่ะต้องเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ค่ะอันนี้คือปัญญาที่เราจะต้องทําให้เกิดมีซึ่งนี่คืปัญญาถูกต้องถูกต้องอันนี้คือปัญญาอันนี้เป็นเป็นปัญญาที่เราจะต้องทําให้เกิดมีแหละแต่ทีนี้พราะถ้าบอกว่าเรายังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแจ่มแจ้งยังไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นมันเป็นทุกข์นะะเราจึงต้องทําความเข้าใจแล้วใครได้จะมาสอนเรื่องนี้ก็พระพุทธเจ้านี่แหละ บอกสอนไว้นะว่าแม้แต่สุขเวทนาที่เราเจออยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทุกอย่างไงนะก็อธิบายเอาไว้แนตะว่าทุกข์โดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเนะพราะว่าถ้าสุขเวทนาเนี่ยเป็นของที่ไม่เป็นอาพาธคำว่าไม่เป็นอาพาธเนี่ยหมายความว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเป็นนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง ไ, ไปจากที่มันเป็นลักษณะเนี่ยเรียกว่ามีอาพาธ ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาลักษณะนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นอนตาอันนี้คือประสุทธิ์ที่สองที่เราพูดถึงเรว่าอนัตตลักขณสูตรว่าไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอัตาเป็นสิ่งที่เราจะมาปรารถนาว่าสิ่งนี้สิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้แต่มันไม่ได้ซึ่งตรงนี้คือเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราจะไปซื้อของ หรือว่าใช้บริการของสถาบันหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งอย่างเช่นคุณไปซื้อบ้านอย่างเงี้ยหรือคุณไปซื้อใช้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะคุณยมติวก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขการให้บริการเนะี่ยเช่นถ้าคุณใช้บริการ ค, คุณต้องจ่ายเงินในจํานวนเท่านี้เท่านี้วันนะแต่คุณไม่จ่ายคุณต้องเสียดอกเบี้ยนะอันนี้คือเงื่อนไขของการให้บริการภาษาอังกฤษเขาเรก terms and conditions นะซึ่งเงื่อนไขของขันหเงื่อนไขของคนที่อยู่ในโลก ที่คุณจะต้องรับนะคุณต้องยอมรับนะคุณเกิดมาในโลกเนี่ยคุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยเป็นอนัตตานะสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้เป็นอัตตาที่เราจะไปคาดหวังว่าขอให้มันมีอย่างนี้อย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้นี่คือเงื่อนไขของมันเป็นอย่างนี้นะเงื่อนไขการให้บริการนี่ก็เรียกว่าเป็นอาพาธเป็นอนัตต์ค่ะเท่ากับว่าอันเนี้ยมาอีกพระสูตรหนึ่งแล้วใช่ใช่นี่เริ่มไปที่อีกพระสูตรหนึ่ง คณะลักษณะสูตรใช่ใช่ค่ะท่านฟังที่ครบค่ะคือท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับที่พูดไปแล้วให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็มีการพูดถึงว่าก่อนหน้านั้นคือไม่เอาทาง ส, สายสสที่สุดตรงสองข้างแต่ให้เลือก ทางสายกลางซึ่งทางสายกลางคืออริยสัจ4ี่และก็คือจบประสูตรธรรมจักรกับประวัตนสูตรถูกไหมคะอันนี้ก็คือพูดธโยคข้ามมาข้ามมาเพราะว่าส่วนที่เป็นความทุกข์ที่เป็นขันห้าเนี่ยพระพุทธจอธิบายในรายละเอียดไว้ในอนัตตลกคณสูตรก็เลยยกตรงนั้นมาก่อนค่ะแล้วก็มามาขยายความเรื่องของขันห้าในอนัตตลกคณะสูตร <Sh arp> ว่าลักษณะของขันทั้งห้ามีความเป็นไตรลักษ์ถูกไหมคะ<ร>ถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ต้องทานอันตค่ะไตรลักษ์คืออ น, นิจจังไม่เที่ยงถูกไหมคะถูกต<ร>้องทุกขังเป็นทุกเป็นทุกและอนัตตาเป็นอนัตตาแต่สิ่งใดที่เป็นอย่างเงี้ยควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นตัวเราค่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรา S <S สิ่งที่เป็นอย่างนี้กลัวแล้วหรือน่าที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นตัวเราของเราค่ะนะัำตอบก็คือไม่ควรไม่ควรไม่ควรอวรนี่ก็คือสาระในอนัตตลักษณะสุดถูกต้องว่าเมื่อเห็นปุ๊บแล้วต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปเห็นว่าเป็นตัวตนของเราถูกต้องเป็นเราค่ะมันเป็นอนัตตาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าอ๋อมันเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคำว่าอนัตตาเนี่ย ก็คือความที่มันอาศัยเหตุแล้วจึงเกิดขึ้นมัน m n m n m n. ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอัตตาตัวต e <c oughs> นของมันเอกเทศค่ะอย่างเช่นว่าตัวเราต้องอาศัยพ่อแม่เกิดมาแล้วโตวใหญ่มาได้เนี่ยก็เรามีอาหารมีข้าวมีน้ําเำต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเก <c oughs> ิดขึ้นการที่อาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้น <c oughs> นี่แหละเป็นอนัตตาทั้งหมดของอนัตตาคือการอาศัยสิ่งอื่นแล้วเกิดขึ้นถูกต้องเอาคำว่าอัตตาก่อนนะอัตตาคือตัวตนของมันถูกป่ะคำว่าตัวตนของมันก็คืออยู่มๆมันก็เกิดขึ้นมาโพ้งเลย มันไม่เป็นอย่างนั้นไง <คะ S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างเอาเช่นรถยนต์รถยนต์อยู่ๆไม่ได้โพูดออกมาเป็นรถยนต์นะเขาต้องเอาเหล็กเอาไม้เอาอะไรต่างๆมาประกอบกันต้องแบบนี้ด้วยนะเนหมือนถึง<ค>ะจะเป็นรถยนต์ออกมาได้คะ่ะเหรืออย่างยุกตัวอย่างชะลอมอ่ะเจ่าแม่คุณยมตือฉลอมเนี่ยอยู่ๆไม่ได้ไม่รู้มาจากไหนอยู่เป็นฉลอมออกมาไม่ใช่น ะ, <ค>ะมันจะต้องเอาตอกไม้ไผ่ใช่ป่ะไม้ไผ่ที่เขาทําเป็นเส้ น, เสนๆเขาเรียกว่าตอกน ะ, <ค>ะแล้วต้องเอามาสารด้วยดีไซน์แบบนี้ต่านั้นถึงจะเป็นฉลอมนะ ถ่าเอามาสารด้วยดีไซน์แบบอื่นก็จะเป็นกระดง้งมันก็จะไม่เรียกฉลอมไอ้ความที่กระด้งมันมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าออตอกมันจะสตยตอแล้วสิ่งเกิดขึ้นเพราะงั้นความมีอยู่ของมันเนี่ยจึงมีอยู่ช่วเวลาที่เหตุนั้นมันยังคงอยู่กันช่วยเวลาที่เหตุนั้นมันยังคงอยู่กันได้แต่ถ้าเหตุนั้นมันมันไม่ได้อยู่แล้วความมีอยู่เป็นอยู่มันก็จะไม่ไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่ อ๋องั้นถ้าจะทําความเข้าใจอีกทีหนึง่งจากคําสอนของพระาศาสดาเอาเข้าใจแบบดิฉันเนี่ยนะคะอืก็จะเข้าใจว่าถ้าเป็นคําว่าอนัตตาแล้วขอให้รู้เถอะว่าต้องมีเหตุใช่ถูกไหมคะถูกต้องและอนัตตาเนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นได้ชัดว่าเป็นอนัตตาเกื้อต่อเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุนี่แหละแต่ เมื่อเหตุหายไปก็ไม่มีังนั้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะเอออุติย์เต่งงเอาฉลอมนี้ใช่ไหมค่ะถ้าสมมุติว่าตอไม้ไผ่มันผุไปแล้วความเป็นฉลอมจะไม่มีหรือว่าเรายังไม่ต้องนอนมันผุแค่เราเอาตอไม้ไผ่ออกทีละเส้นละเส้นละเส้นแต่ตอไม้ไผ่ยังอยู่ไหมยังอยู่นะแต่ดีไซน์มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ฉลอมอีต่อไปละค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงคําว่าอัตตาด้วยนะคะแต่ว่าในตรายรักเนี่ยมีแค่คําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา คือเป็นลักษณะของขันห้าถูกไหมคะถูกต้องทีนี้อคําว่าอัตตาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันไหมคะกับไกรลักษณอ๋อคือไม่เป็นอัตตาไงไม่เป็นอัตตาไม่แปลว่าอัตตาตรงกันข้ามกับอนัตตาไหมคะไม่ไม่ใช่คําว่าณนะเมโสอัตตาคือไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอัตตาเนี่ยหมายความว่าไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปคาดหวังได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่คาว่า เป็นอนตนะัต arna อัต a r คือเราสามารถสั่งการได้เป็นตัวเราของเราอะ่ะอย่างเช่นว่าเราสามารถสั่งแขนขาให้มันเหยียดออกให้มันหุบเข้าได้เดี๋ยวตรงนี้คือเป็นอัตตาทำให้เรารู้สึกว่าความเป็นอัตตาในตัวเรามีเราสั่งสิ่งการสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เราทำกับข้าวได้ตรงนี้คือเป็นอัตตาขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วความเข้าใจที่ถูกเกิมันเป็นอนัตตาแต่ว่าอ <PRI ME. S 2> ัตตาในที่นี้ก็คือหมายรรความว่าเป็นตัวเราของเรา ที่เราจะสั่งการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่า ง, งานี้ได้นี่คือประเด็นทาให้มันเหมือนกับว่าเราจะสั่งการให้มันเป็นไปได้ <Okay. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะสั่งการให้มันเป็นไปได้คือเราก็สร้างเหตุของสิ่งนั้นไง <Okay. S 1> ถูกไหมเช่นถ้าคุณต้องการทําข้าวผัดคุณก็เอาอันนี้มาผัดอันนั้นมันก็ออกมาเป็นข้าวผัด <Okay. S 1> ใช่ปะ่ะเราสร้างเหตุของมันอย่างนั้นเราไม่ได้สร้าง <Okay. S 1> ขา้าวผัดออกมาด้วยการที่ไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยตรงนี้เป็นความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าต้องการทาความเข้าใจอะว่า คุณไม่ได้พูดออกมาเป็นข้าวผัดคุณไม่ได้พูดออกมาเป็นชัลอมคุณไม่ได้พูดออกมาเป็นรถแต่คุณต้องไปสร้างเหตุของมันมันถึง<ช>ออกมาเป็นชัลอมรถได้คําว่าอัตราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ามันไม่มีถูกไหมคะถูกต้องใช่นะคะท่านฟังอันเนี้ยสังเกตดีๆนะเพราะอัตราถ้าอย่างที่เราๆท่านๆเข้าใจกันอัตราแปล ว, ว่าตัวตนอ่าก็เป็นตัวตนมันก็ต้องมีถ้าไม่มีมันจะเป็นตัวได้ยังไงเออๆนั่นแหละสิถูกไหมคะถ้าแปลตามความเข้าใจ ในความหมายของคำซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจกันแบบนี้เนี่ยแต่ในคำอธิบายของท่านซึ่งนำมาจากคำสอนของพระศาสดาเนี่ยจริงๆแล้วอัตตาไม่มีมมเพราะไ ม, มไม่มีอะไรจะเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาโด ย, โดยไม่มีเหตุได้ถูกต้องนี่แหละก็เรียกว่าเป็นอ น, นัตตาสแสดง<ช>ออกตรงไหนสแสดงออกตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปนะจะมีความอาพาธเกิดขึนอาพาธที่เกิดขึ้นที่เห็นนี่แหละ คือความที่คุณสามารถเห็นได้ว่ามันคืออนัตตานาะเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านพูดแบบนี้ท่านอาจต้องอธิบายต่อแล้วนะคะเพราะว่าในความหมายของคําว่าอาพาธของคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะได้ยินว่าเออพระรูปนี้อาพาธแล้วว่าท่านต้องกินยาเข้าโรงพยาบาลอืป่วยใช่ไหมคะทีนี้ท่านบอกว่าเนี่ยมีอาพาธเกิดขึ้นเนี่ยอาพาธในที่นี้ก็คือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเคยเป็นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเคยสุขภาพดีมันเปลี่ยนแปลงไป ไอ้ความเปลี่ยนแปลง deviation ตรงนี้คืออาพาธเพราะอาพาธไม่ได้แปลว่าป่วยแปลว่าเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากที่ถูกต้องถูกต้องเปลี่ยนปลงไปจากที่เราคาดหวังเอาไว้นี่คืออาพาธเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังเอาไว้ค่ะหมใช่ไหมถ้าคุณผัดข้าวผัดแล้วคุณใส่เกลือมากไปหน่อยมันเค็มนี่ยมันมีอาพาธอาพาธตรงนี้คือ deficiency คือความที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเราอยากให้มันเป็นคืออยากให้มันเป็นอย่างเนี้ยแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะเหตุบางทีมันมันควบคุมไม่ได้ อันนี้คือคอ า, าพาธที่จะเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไ ป, ปเพราะนั้นเอกคำว่อนัตตาหนึ่งจึงเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆในโลกที่ถ้าเปล่อบ่ามันจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้ในขณะที่เหตุปัจจัยมันยังอยู่ไงในขณะที่เหตุของมันยังอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะับเป็นอ า, าพาธนะแล้วถ้าเหตุของมันหายไปดับไปตัวมันก็จะหายไปด้วยและดับไปด้วย อันนี้ค เ, เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ปริเชาเขาถึงซักซ้อมซักซ้อมในเรื่องของสิ่งที่คุณยมติวพูดไปสกุลแต่ว่าตราักษ์เนี่ยแหล ะ, ะในส่วนของที่ท่านบอกว่าอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยจะอธิบายคุณลักษณะของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปกนาม น, านะคะว่าแปลเปลี่ยนไปได้เป็นอนัตตาเนี่ยเกิดแต่เหตุใช่ไหมคะทีนี้ในโลกนี้ยก็คิดตามไปก็ดูเหมือนกับว่าก็เกือบจะครอบจักรวาลเลยนะเนี่ย เป็นอนัตตาทั้งหมดที่จะคิดไปนะคะเพราะว่าต้องมีเหตุจึงจะเกิดขึ้นเดีฉันใช้คาว่าเกือบจะทั้งหมดได้ไหมคะแสดงว่าดิฉันยังมีความหวังว่าต้องมีบางอย่างแะที่ไม่ใช่เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณอะไรก็ตามเนี่ยเป็นอนัตตาหมดไม่มีอย่างไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังการอะไรที่จะไม่เป็นอนัตตาพุญญา้น ะ, ะไม่มี เพราะฉะนั้นอะไรในโลกโลกมันก็ต้องเป็นกันหา้ามีเท่านี้มันจะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นกันหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกันหน้าก็ต้องเป็นอนัตตาหมดร้อนะคะคุณฟังผมคิดอย่างนี้แล้วเห็นอะไรปุ๊บถ้าอยากจะทำกันบ้านเรื่องจง อ, อ, อธิบายซิว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอนัตตาอธิบายได้ทุกตัวถูกคะใช่ใช่เราก็จะสามารถควนหาเหตุของมันได้แต่ว่า ที่ตัวนี้มันตั้งอยู่ในเพราะอะไรเหตุปจัจจัยเป็นอะไระเราจะสามารถหาถ้าคุณสามารถหาเหตุปัจจัยที่มันตั้งอยู่ตรงนี้ได้น ะ, ะก็ชัวร์เลยอันนี้เป็นอ น, นัตตาแน่นอนและอยู่เฉยๆทาไมเมื่อก่อนไม่มีความรู้นี้ไม่เห็นต้องไปสนใจเลยว่าอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เกิดแต่เหตุหรือไม่ออืก็เห็นๆกันอยู่ใช้ๆกันอยู่อทํำๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะอืไปรู้แล้วเกิดประโยชน์อะไรลรอคะเกิดประโยชน์ตรงนี้ว่า ถ้าเราไม่รู้ก่อนถ้าเราไม่รู้จะเกิดโทษอะไรใช่ไหมค่ะเพระาะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะมีความกำหนัดในสิ่งที่เป็นอตานั้นเพราะเราสั่งการมาได้นะเราทําข้าวผัดอร่อยเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นเราจะมีความกำหนัดลุ่มหลงเพลินในสิ่งนั้นได้ค่ะได้เกิโทษทําไมอ่ะทำไม่ไ ม, มีโทษเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความกำหนัดเพลินรุ่มหลงในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจริงเราจะมีความเศร้าหมองมีความส้ามองตรงไหนมันก็สนุกดีแฮปปี้ดีหนิใช่ไหม <So ft> ความเศร้าหมองมันจะเกิดปรากฏตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเป็นความเศร้าหมองนี้จะเกิดปรากฏขึ้นทันเราจะรู้สึกจี๊ดเราจะรู้สึกโกรธเรารู้สึกไม่พอใจเราจะรู้สึ ก, ก unge, เสีสยใจและไม่กล่ําค ร, รนในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น <So ft> นี่คือจุดที่จิตที่ถ้าเศร้าหมองแล้วมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าเหมือนกับจิตจะแตก <So ft> จิตแตกก็คือจะระไม่คร่ําครวนละ่จะจะทะบอกชกตัวละดาท่อดากรา คนนี้คืออาการของคนจิตแตกค่ะยกตัวอย่างสมมุตินะคะเราเมีแหวนวงหนึง่งเป็นรูปถูกไหมคะใช่เป็นรูปนะคะก็เป็นแหวนที่นัดสวยถูกใจก็ทำให้เกิดเวทนาอันนี้เป็นขันที่สองละถูกต้องเป็นสุขเวทนาจ า, จากรูปมาให้สุขเวทนาเราละเรา จะไปทำอะไรเราก็จะคิดถึงว่าแหวนเรายังอยู่ดีหรือเปล่าถ้าไม่ได้สายติดมือมาอันนี้คือจะมีช<ด>ื้อเลือดพื้นฐนสัญญาสัญญาใช่ปลุงแต่งว่าใครหยิบของเราไปใครขโมยของเราไปหรือเปล่าเป็นสังขารถูกไหมคะถูกต้องคแล้วมันก็วันหนึ่งแหวนนี้มันก็ถูกขโมยไปจริงจริงอันนี้ก็เราก็จะมีความเสียใจ เสหายเดี๋ยว่ามันเป็นมันเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วอย่างาให้ ม, ใ<ช>มันอยู่กับเราแต่มันก็เสียหายมันน้ำเตยหาเพชรร่วงลงไปอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความไม่เที่ยงละแปลเปลี่ยนควบคุมไม่ได้กํากับไม่ได้ใช่ทีนี้ก็ก็ต้องกลับมาตรงจุดว่าแล้วถ้าเรารู้ความจริงข้อ น, นี้ก่อนละ่ะถ้าเรารู้ความจริงข้อ น, นี้ก่อนนี่แหละคือจะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไร<ช>เพราะว่าความกําหนัดลุ่มหลง เพื่อเปลยมัวมในสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่มีแล้วก็มีเราก็ใช้ไปก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเข้าของแหว น, วนเงินทองอะไรต่างๆก็ใช้ไปแต่ถ้าถึงจุดที่มันความจริงมันปรากฏอาพาธของมันปรากฏเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังอยู่เนี่ยแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่ได้มีความกำหนัดในสิ่งนั้นนะพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้จิตเราไม่แตกมันก็ไปตามสภาพของมันเราก็มีความเข้าใจละเราก็จะไม่ได้ไป ร่ำให้กลําครวนในสิ่งนั้นมากเราจะไม่เป็นทุกข์ไงค่ะดังนั้นในเมื่อเวลาจะหมดก็ต้องสรุปง่ายๆนะคะไม่ยกตัวอย่างละเอียดละถ้ามองสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วไปอย่างเกิดความเข้าใจว่าล้วนเกิดมาแต่เหตุแล้วก็เหตุเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนใช่ไหมคะ ม, มีความเป็นอนิจจังวันหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปเสียใจยเพราะนี่มันเข้าหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ คนที่มีความเข้าใจอย่างนี้คุณโยมติวสรุปในที่นี้เลยว่าพอเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีความนายในสิ่งนั้นนะครับว่านายนี่หมายถึงว่าปล่อยวางได้ก็จะมีความนายสามารถปล่อยวางได้เขาจะพ้นจากการที่ถูกสิ่งนั้นเนี่ยมาครอบงากลุ่มรุมในจิตใจของเขาเขาก็จะสบายที่นี้ค่ะนี่ก็ได้สองพระสูตรไหมคะถูกต้องในสองพระสูตรนั่นเองธรรมจักกับอนัตตลักษณ์สูตรอีกพระสูตรหนึ่งชื่ออะไรนะคะอาทิตต์บัญญยติสูตร สรุปในหนึงน่งประโยชนเลยได้ไหมคะก็คือเรื่องอายตนะภายในและภายนอกแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้เป็นของร้อนอย่าไปเอาใจไปเกลืกล้วนในสิ่งนั้นนะคะเขาจะว่าด้วยอายตนะต่างๆก็กเป็นการที่เอามาสรุปให้ท่านฟังทั้งหลายที่แม้อยากไปหรือเกิดแต่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ไม่ให้เสียโอกาสสัทีเดียวอ่าและถ้าใจเย็นหน่อยท่านเพบูบุญก็จะ นำเอาขึ้นทางเว็บไซต์หรือว่า YouTube กันท่านคะน่าจะเป็น YouTube แล้วก็ลิงก์มาที่เว็บไซต์นี่แหละที่ p ปียว h a m มะดอนะคะแล้วถ้าขึ้นเนี่ยควรจะชื่ออะไรคะเซิร์ชไปหาแล้วเจอที่เปียวธรร a ะด m ทคอนี่แหละเป e ยว h a m มะดอใช่เป็นชแนลของเขาอยู่แล้วชแนลที่ YouTube คือเปียว h a m มอ๋อค่ะเป e ยว h a m มะดอนะคะวันนี้ก็คงจะได้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหมคะท่านคะเิผานเวลาก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านไพบบุเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัสการค่ะท่านงที่เคารพคะ สําหรับธรรมะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันก็เห็นคนเขานั่งฟังนั่ตั้งแต่เช้าเข้าใจว่าจนจบรายการเลยฟังแล้วไม่เบื่อเพราะว่าเป็นการพูดแล้วคิดตามเนี่ยโดนทุกท่านที่ไปนั่งฟังอยู่ณที่นั้นนั่นแหละนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความจริงของโลกเป็นเรื่องความจริงของเราติดตามรับฟังรายการสรนสนีสนทนานี่ก็เหมือนกันค่ะก็จะได้รับทราบความจริงของโลกความจริงของเรา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาระดับที่สุดในโลกของพระศ า, าสดานะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองทรงรู้แจ้งและเป็นผู้ที่เมื่อเราศรัทธาเมื่อเราได้นำเอาธรรมะของท่านมาสู่การปฏิบัติแล้วเราก็จะได้พบกับการที่เป็นคนทุกน้อยลงไปทุกน้อยลงไปหรืออาจจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์ ซึ่งไม่มีใครนะคะที่สามารถสอนได้นอกจากพระศาสดาทระารย์ตัสมาสังพุทธเจ้าของเราเท่านั้นติดตามรับฟังรายการสัมสนีสนทนาจากสัมสนนาณพมกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุครอบครัวข่าวนี่แหละคะ่ะพุทธสวัสดีคะ่ะ